ทุกเช้าเราก็สาธยายคำสอนสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องของชีวิตของเราทุกคนเรยว่าเป็นเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนก็ได้ โดยเพราะนะตอนที่พูดถึงเรื่องทุกข์นะการเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แล้วก็สิตามมาอีกนะความโศกความร่ำไรความพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับเคนใจการประสบกับสิ่ง ทีไม่รักไม่พอใจพัดผ่อนจากสิ่งที่เราคิดพอใจปลอดหนาสิงใดไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกคนต้องผ่านแล้วก็ต้องเจอความเกิดนี่ก็ผ่านไปแล้วตก็ต้องเจอความแก่ความตาย ระหว่างนั่นก็ต้องเจอกับความโศกความรำแม่ลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจเยเพราะเนี่ยความความทุกของมนุษย์ที่จริงก็สรุปได้ด้วยนะ สามข้อความต่อจากนั้นนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักความทุก์คนเราเนี่ยที่ว่าโศกความโศกความร่ำไร ล, ำ, ลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเขาแค้งใจเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรนะก็สองข้อนี้เนะี่เป็นหลักก็คือพบกับ สิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่รักก็มีมากมายความเจ็บความปวดควาต่อว่าด่าทอตีฉินนินทาความล้มเหลวความไม่สมหวังแดดร้อนอากาศหนาวไอ้พวก น, นี้คือ สิ่งที่ไม่รักนะไม่พอใจทางชื้นแฉ ะ, มะแมลงรบกวนรถติดเนี่ยพนี้อันนี้สรุปวมเรียกรวมว่าเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจเงินทองกับสมบัติ ของหายเงินถูกขมโมยถูกโกงหรือว่าตกงานถูกปลดจากตำแหน่งรวมทั้งคนรักทิ้งไปหรือแม่ก็ตายจากไป รวมทั้งกรารระวังชาที่ได้สูญหายไปเมื่อมีอายุมากขึ้นรวมทั้งความสวยความงามความหลอ่อชีวิตคนเราความทุกข์คนเราทั้งโลกเนี่ยเจ็ดพันล้านคนเรียกว่า 99% ซของความทุกข์ก็ เกิดจากสองข้อนี้แหละส่วนข้อที่สามนี่ก็เรียกว่าพ่วงเข้ามาก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่อาจจะไม่สําคัญกับสองข้อแรกนั่นคือปราจัยาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนฐานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็อเรียกว่าเจอกับสิ่งที่ไม่รักก็ได้อยากได้แต่ไม่ได้ ก็คือประสบความผิดหวังนั่นเองอันนี้เลยว่าเป็นเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนนะชอชื่อว่า ท, นะทุกขทุกเนี่ยมันมันมีหลายความหมายนะ ทุกในความหมายที่ว่าเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจนะไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยอันนี้บางทีเรกาก็จะทุกในอริยสัตวนะ์อริยสัตว์สี่เนี่ยที่ว่าทุกเป็นตัวแรกเนี่ยก็หมายถึงอันนี้ทุกในอริยสัตว์แต่มันมีทุกอีกตัวหนึ่งนะเวลาทุกในใจรัก ใจเราเนี่มีนิจจังทุกขังนัตตาอย่งเช่อสวยเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อใด้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงนี่ก็รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหมดเลยยกเว้นแค่นิพพานนั่นแหละซึ่งนิพพานนี่ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ เรียว่าไม่เคยเจอเจออยู่แล้วก็อาจจะตัดทิ้งไปได้ทุกอย่างที่มนุษย์รู้จักคุ้นเคยเม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยล้วนเป็นทุกเป็นทุกในความหมายนี้เนี่ยนะหมายถึงว่ามันอยู่ในมันเป็นสิ่งที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ เกิดไม่ได้ความขัดแย้งบีบคั้นภายในไม่ใช่หมายถึงความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแฉนใจนะเพราะว่าก้อนหินภูเขามันมันไม่มีความโศกความร่ำไรลำพันธ์อยู่แล้วรถยน บ้านเรือนมันก็ไม่มีความโศกความร่ำรมพันอยู่แล้วแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความบีบคั้นขัดแยง้งกดดันทั้งจากสิ่งภายนอกเช่นความชื้นความดันแดดลมฝนแล้วก็ มีความขัดแย้งข้างในเพราะว่าองค์ประกอบที่ที่มาประกอบเป็นตัวมันเนี่ยต่างก็จะเสื่อมสลายแปร ى, ปรวนมันก็เลยทำให้เกิดความเรียกว่าอะไรปั่นป่วนข้างในก็ได้ความไม่สเสถียร ความไม่เถียนนะซึ่งพร้อมจะกลายเป็นความความเสื่อมนะมันก็เหล็กเนี่ยนะแข็งแรงแต่ว่าทิ้งไปนานา น, า น, นี่มันก็เริ่มเป็นสนนิมแล้วก็ เริ่มผกแล้วก็พังอันนี้เพราะว่ามันมีความความบีดคั้นความกดดันทั้งจากข้างนอกและข้างในเปรียบได้ ว, ว่าเรามองไม่เห็นแล้วก็ใช้เวลาอาการที่แสดงออกมาก็ปรากฏมาชิรนิดชิรนิด ผ่านไปสักปีสองปีก็อ้าวมันกลายเป็นเศษเหล็กซะแล้วอันนี้ก็ว่าเป็นทุกข์ในใจรักนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกโศกร่ำรบลำพันก็ตามแต่เมือเ่อค่อยเปื่อยค่อยยุ่ยนี่เรียกว่าความเสื่อม และที่มันเสื่อมเพราะมันมีการมีภาวะของความไม่เสถียรความขัดแยง้งความกดดันอยู่อันนี้อาชที่บางทีเราใช้คาว่าเป็นตัวทุกข์นะที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าความแก่ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วมาปิดท้ายด้วยว่าว่าโดยยโยบะชานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกันนี่หมายถึงทุกในไตรักษณนะขันทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกหมายค่าว่ามันเป็นสิ่งที่พร่องเป็นสิ่งที่ไม่เถียดเป็นสิ่งที่ถูกกดดันขัดแยง้ง ต้องแยกให้ดีในะระหว่างความเกิดเป็นทุกข์กับขันธ์ทั้งหาเป็นตัวทุกข์อันนี้มันทุกข์คนละตัวนะความเกิดเป็นทุกข์นี่ทุกข์ในริ์แต่ว่าเป็นตัวทุดนี่คือทุกข์ในไตลักษ์ถึงแม้แต่ถึงแม้มันจะความหมายจะแตกต่างกันนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าไอ้ที่ แก่แล้วเป็นทุกข์นะไอ้ที่แก่เนี่ยก็เกิดจากการที่มันเป็นการที่เราแก่เนี่ยก็เพราะร่ า, างกายของเราเนี่ยมันโดยเฉพาะในส่วนรูปธปรรมเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ก็คือมันมันไม่สเสืียนะมันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในตั้งแต่จนระดับเซลล์เลยเนย ตอนหลังนักวิทยาศาสตร์เมื่อเขาค้นพบเข้าไปถึงโครงสร้างภายในของเซลล์ก็เพราะมไม่สเสถียรเลยมันมีความขัดแย้งต่อสู้ข้างในระหว่างโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนก็เตรียมจะวิง่งพยายามหาทางออกมาให้ไปิสาจากนิวเคลียส ก็บีงอย่างนีน้แล้วก็มันก็วิ่งวนรอบแล้ววันที่คือนิงมก็หลุดออกไปส่วนนิวเคลียสโปรตอนก็พยายามยื้อยุดขัดยางข้างในเพราะว่ามันเป็นกระแสบวกเหมือนกันอะโปรตอนที่เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็สารต่างๆเนี่ยธาตุต่างๆก็มีหลายโปรตอน ไฮโดรเจนหนึ่งโปรตอนฮีเลียมสองโปรตอนมันก็เพิ่มจากสองเป็นสามสาเป็นสี่ยิ่งไปถึงอยู่เรเนียมนี่มีต้องเท่าไหร่เก้าสิบสองก้สองโปรตอนมันบวกทั้งน้ำก็มันทานผลักกันมันพยายามผลักออกจากกันเพราะบวกมันผักบวกแต่มันยังคงรูปอยู่ได้เพราะมันมีแรงยึดฝนะรั่งเรียกว่าวิสากเรียกว่าวิฟอ์ Wheak force, Strong force คือแรงแรงอ่อนกับแรงหนักที่มันยึดโปรโตอนเอาไว้ให้เป็นอยู่ในนิวเคลียสแต่เมื่อมีการเสื่อมสลายมาเป็นการแผกกัมมันตรังสี น, นี่ก็เป็นผลมาจากการที่มันไม่มีความสเสถียรพอศึกษาไปนี้นะักวิษาเอกอมันใช่นะแมก็ทั่งในระดับอิเล็กในระดับ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 เพราะความเป็นตัวทุกนี้แหละมันถึงเกิดแปลสภาพมาเป็นความแก่ความเสื่อมแล้วก็ความเจ็บป่วยพอเป็นอะไระเข้าก็ตายเลยเพืาอแตกดับถ้าแตกดับแตกสลายดินน้ําลมไฟเกาะกันไม่อยู่แล้วคุมกันไม่อยู่ก็นะก็กลายเป็นอะไรเน่าเปื่อยไปนะคืนสู่ธรรมชาติ นั่นคำว่าว่าเดีออ๋ยวจอปนานั้งค่เป็นตัวทุนี้ให้เข้าใจว่ามันมันมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะไม่เกี่ยวกับคนไอตอนแก่ที่ร้องสู้ว่าเราแก่นะเราเจ็บเราตายความโศกความราลไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เราเราโศกเราเราลรำพันธ์เราไม่สบายกายเราไม่สบายใจ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 แล้วทําไมถึงมาลถึงมาปิดท้ายตรงนี้นะหลังจากที่พูดความทุกข์มาสิบเอ็ดอาการแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนี่ยว่าหรืออุปาทานขันธะห้าเป็นตัวทุกข์เพราะว่าอาการทั้งสิบห้าทั้งสิบเอ็ดอาการเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากมันก็มีที่มามาจากตัวนี้แหละก็คือขันธะห้าเป็นตัวทุกข์มันก็เลยแปลสภาพออกมาเป็นความแก่ความเจ็บความตาย ก็เลยแปลชื่อวเป็นความพัดพร่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยมันก็อยู่ในฝ่ายรูปประขันมันก็เป็นตัวทุกข์มันก็เลยเสือเส่อมเสื่อมมันคือเสียไปรถก็เก่าตัวทรัพท์ก็พังอันนี้เพราะว่ารูปเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะ มันก็เลยโทรศัพท์ก็เลยเสียนาฬิกาก็พังรถก็ต้องซ่อมใครที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ทุกข์สิอันนี้เรียกว่าประสบกับสิ่งไม่ไมรักไม่พอใจแล้วประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจคือรถเสียรถพังและต่อไปมันก็หายไปก็กลายเป็นความพัดพลากนพัดพลากจากสิ่งที่รักไป รวมทั้งขันห้าที่ปรากฏออกมาเป็นร่างกายและจิตใจคนที่เรารักนะมันก็เสื่อมไปป่วยแล้วก็ตายพอตายก็เรียกว่าเกิดความพัดพลาคจากสิ่งที่รักที่พอใจพัดพลาคจากคนรักมันก็ทุกข์เลยนะนก็โศกลำรายลำพัน ทุกโทมมันนัดแล้วก็รับแทนใจให้เขา้าใจว่าที่เขาว่าที่มาปิดท้ายตัวที่12บสองนะว่าว่าจะโยรานาคารธรรเป็นตัวทุกเนี่ยมันคือตัวสรุปทั้งหมดว่าทำไมไอ้ไอ้ความทุกข์ส1อาการยึงเกิดขึ้นได้ผู้ยานก็พบว่าเมื่อมีทุกในไตลักมันก็เลยเกิดทุกในอริยสัจ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 มันก็เลยเป็นรูปที่ถูกยึดมั่นนนี้เราลูปูปาชานัขันโทนี่ยอนนี้พอไปยึดข้าว เ, เกิดอะไรขึ้นไอคนยึดน่าทุกเลยแต่ก่อนเนี่ยหินมันทุกเฉย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 เกิดอุปทานขึ้นม า, าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็สามารถจะบีบคั้นเราได้คือพอมันเสื่อมไปพอมันเสียไปหรือว่าแตกหักไปจิตใจแล้วก็เหมือนกับถูกมือนก็จิตใจก็แตกสลายไปด้วยยิ่งไปยึดมันมากเท่าไหร่ก็แตกสลายได้ง่าย เพราะน้นเนี่ยที่ว่าอุปทานขันเป็นตัวทุกเนี่ยมันก็เลยมีความหมายเช่นนี้นว่ามันมีความบิบคั้นภายในและมันก็สร้างความบิบคั้นให้แก่ผู้ที่ยึดถือมันด้วยแต่ถ้าไปไปยึดถือมันก็ไม่มีใครทุกนะก็มีแต่ ก็จเห็นเลยว่าทองเพชรที่มันก็จะเสื่อมสลายไปอั้ท่านถึงใช้คำว่าอุปาทานขันนะเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจนะความขับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพาจากสิ่งที่รักแล้วทุกข์ก็เพราะมันมีความ ไปยุดติดถือมั่นนะกับขันก้อนหินเนี่ยหินก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ไปถ้ามันเฉยเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีใครทุกข์แต่พอไปแบมมันเข้าเนี่ยไอคนแบมมันทุกข์เลยนะคือมันหนักมันหนักนะ กขาว่าเป็นตัวทุกข์ความหมายกนะ็คือว่ามันเป็นของหนักก็ได้หินเป็นของหนักนะแต่ถ้าไม่มีใครไปแบกมันมันก็ม่มีใครทุกข์ไม่มีใครรู้สึกหนักนะในเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาจะไปโทษหินก็ไม่ได้นะ เพรว่าหินมันก็หนักของมันอยู่แล้วเรต้องโทษตัวเองว่าเราไปแบ่งมันทำไมและการที่ไปแบ่งนั่นแหละมันจึงเป็นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตรงนี้เรียกว่าสมุดไทยก็ได้สมุดไทยคือแห่งทุกข์เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองว่าแห่งทุกข์ก็คือหินนะแต่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 มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาชีวิตทําให้ทุกข์คนส่วนใหญ่พูดแบบนี้ทุกข์เพราะว่านะเจ้านายไม่เป็นธรรมงานก็ล้มเหลวธุรกิจก็ไม่ดีนี่ก็มากแล้วคนนี้เรี ย, รยว่าปัญหาคนบอกว่าทุกข์เพราะปัญหาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสน์บอกว่าทุกข์เพราะไปยึด ปัญหาตั้งหากถามว่ามันยึดที่ไหนมันยึดที่ใจอะไรยึดก็คือใจไปยึดส ม, มุติไทยของต้นแห่งทุกข์ในพุทธศาสนานี้หมอเหมือนคนอื่นนะคนอื่นมองว่าเราทุกข์เพราะสิ่งภายนอกทุกข์เพราะเขาด่าเราทุกข์เพราะเขาแกล้งเราทุกข์เพราะเขาเอาเปรียบเราทุกข์เพราะมีสิน ทุกข์เพราะรถเสียทุกข์เพราะเงินหายพวกนี้ภายนอกทั้งนั้นก็มันก็บอกทุกข์เพราะหินน่ะทุกข์เพราะหินแต่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์เพราะแบกหินลังหาหินิหินมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยคือมันหนักแต่ถ้าไม่แบกก็ไม่ทุกข์ใช่หมั้ทางออกพุทศาสนาคือว่าให้วางซะให้ลดให้วางไม่มีความยึดมั่นถือมัน ไม่ใช่ไปเปลี่ยนหินให้มันกลายเป็นนุ่นหินมันก็หนักเข้ามาอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาตินะจะไปขอร้องให้มันเบาจะไปเปลี่ยนม่นให้เป็นนุ่นก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราวางมันนี่เนี่ยทำให้คนเราทุกข์นะนี่สินเนี่ยแต่ว่าที่เราทุกข์เพราะไปแบกนี่เอาไว้ คิดถึงมันตลอดเวลาลูกก็ไม่ทำให้เราทุกข์นะแต่พอเราไปแบกลูกเอาไว้ถึงทุกข์ลูกสอบเข้าหมายละไไม่ได้สอบตกก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่พอไปเราไปยึดมั่นถือมั่นมาต้องสอบให้ได้ต้องเข้าให้ได้ก็คือไปเรื่องความคาดหวังเปเรื่องความยึดมั่นถือมั่น ตรงนี้แหละคือสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ืั้นการที่เจ้าจ่าว่าเนี่ยอุปทานขันเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะก็คือก็คือเพื่อให้เราจะได้ไม่ยึดมั่นมันไอ้ม่อเป็นทุกข์มันก็เป็นของหนัามันก็เป็นเป็นของแหลมมันก็เป็นไฟ ก็จะไปยึดมันมันก็เป็นตัวทุกเนี่ยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นของหนักเป็นของแหลมเป็นของร้อนก็คือมันมีความไม่สมบูรณ์มีความไม่เฉียงก็เลยเปลี่ยนมันก็เป็นของหนักของพร่องของร้อนไปเมื่อรู้ช น, นี้แล้วสิ่งที่เราควรทําก็คือไม่ไปยึดไม่ไปแบกไม่ไปถือมันเอาไว้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 คือหน้าที่ที่มีก็ต้องทำแต่ว่าใจนี่มันวางใจไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นะพรารู้ว่าถ้าไปยึดมันความทุกข์ของมันก็บีบคั้นให้ใจเราเป็นทุกข์ฉันวะอมเ ข, ข, ข้าใจดีในะเรื่องว่าที่เราสวดสวดกันมาทุกวันทุกวันเนี่ย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 เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เสถียรก็เรลือเต็มไปด้วยความพร่องก็จะไปยึดมันเอาไว้เข้าใจว่าเป็นของที่ยึดไม่ได้เมื่อเข้าใจทุกในไตรักเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกข์เลยนะมันก็ไม่เกิดทุกข์ในอริยสัจนี่หลวงพ่ออมเพียงบอกว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะเห็นทุกข์เนี่คือเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ขังเห็น ทุกอย่างเป็นทุกข์ขังเห็นทุกอย่างเป็นตัวทุกข์เห็นทุกอย่างเป็นของหนักเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นมันก็พ้นทุกข์ก็เพราะว่าไม่แบกไม่ไม่ไปถือมันต่อไปเห็นทุกข์นี่นี่คือเห็นทุกข์ในใจรักษก็พ้นทุกข์ก็หมายถึงพ้นทุกข์ในจิตสัตว์แต่ใหม่เนี่ยยังยังไม่เห็นทุกอย่างเป็นทุกข์ในใจรักษณนะก็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 มันก็จะพ้นทุกข์จะเป็นพ้นทุกข์ชั่วคราวเราเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์อยา่างเช่นสวดเมื่อกี้เนเมื่อไรบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้คือทุกข์ในไตรลักษณ์นี่ต้องเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ตรงนี้แหละถึงจะเพิกถอน